ปาฏิวนันพิจิตรีต่อไปนี้ไม่ต้องระบาดคือแปดรึงพิกษตรีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสาเป็นเพื่อน2อพิกษตรีผู้ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในที่ลับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน 3. าพิกษตรีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากั น, ก น, ก น, น, น, กนแต่คิดในเรื่องอื่น4ีพิกษตรีส่งเพื่อนพิกษตรีกลับเมื่อมีเหตุจําเป็น5้พิกษตรีวิกลจริต โมกพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่4ี่จบ